ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันจ้าหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาขอลูกพอสบายสบาย คลาดกับตอนที่เราใกล้จะหลับกันนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดใจไปที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายไว่าอยู่ในกลางท้องแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยุ่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใส ใจยหยุดจนในกลางพระแก้วใสๆสอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างเราถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นไม่ต้องเปลี่ยนกลับไปกลับมาเราตรึกเรานึกถึงดวงก็สามารถเห็นองค์พระได้เรานึกถึงองค์พระก็สามารถเห็นดวงได้ ในดวงก็มีองค์พระในองค์พระก็จะมีดวงใสๆเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนเอาเพียงอย่างเดียวแต่เขาให้นึกอย่างสบายๆตามใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นนี่คือวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นงานที่แท้จริงของเราล่ะ เขาเรียกว่ากรณียกิจเราคงได้ยินคํานี้บ่อยๆคือกิจที่ควรกระทำก็คืองานแท้จริงงานแท้จริงก็คือทำอย่างไรเนี่ยเราถึงจะเข้าถึงพระรตระนตรัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราแล้วพระรัะตระนตรัยในตัว ที่เขาถึงแล้วจะได้นำเราให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้โดยไปขจัดสาเหตุแห่งความทุกข์คือกิเลสอาสวะที่มีอยู่ในตัวของเราในใจของเราให้หมดสิน้นไปและใจของเราก็จะได้สะอาดสว่างบริสุทธิ์หมดจด ก, กิเลทั้งหลายก็จะเป็นพระธรรมกายอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าตักยี่สิบมสูง20วสบมเจดดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเสีหนึ่งท่านที่มีเส้นประศกรือเส้นผมกดเวียนเวนทักษินาวัดตามเข็มนาิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ นบนพระเศียยของท่านที่ตั้งอยู่บนพระวรากายของท่านคือกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทเดียวคืออริยบทนั่งเจริญสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆประครับประคองใจของเรานะจ๊ะ ให้ยืดให้นิ่งนิ่งอย่าง ส, สบายโดยลืมสิ่งแวดล้อมภาคบ่ายนี้อากาศจะอ้าวกันให้ก็จังมันต้องฝึกให้ได้ทุกสภาวะอากาศเพราะเราจะต้องพร้อมเสมอกับทุกสิ่งที่จะมเกิดขึ้นซึ่งไม่เลือกการเวลาไม่เลือกสถานที่ ไปเลือกสภาวะเราก็จะต้องฝึกให้ได้ไปหาความเย็นยุ่ภายในกลางกายโดยลืมความอ้าวภายนอกแล้วก็ไปหาความเย็นยุ่ภายในด้ยการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งเบาเบาสบายสบายจะไปหวั่นไหวกับความมืด ที่มาบทบังใจเราเพราะความมืดมันไม่ได้มีตลอดการเหมือนทางโลกนี่แหละความมืดในยามราตรีก็ส2อชั่วโมงและความสว่างก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่หวั่นไหวทำใจหยุดนิ่งเกืเ่ลยไปเลยประชายวความสว่างก็จะมาปรากฏเอง ความเมื่อก็จะสลายไปเมื่อใจหยุดนิ่งกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อการสแสวงหาพระตันตนาตนในตัวซึ่งเป็นที่รวมของความปรารถนาของเราทั้งมวลตั้งแต่ความสุขที่แท้จริง ความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตคือดวงปัญญาความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่ามหากรุณาและก็อนุภาพอันไม่มีประมาณที่จะดลบันดาลความปรารถนานั้นให้สมหวังได้บริสุทธิ์ก็ดีปัญญากดีมหากระนาก็ดี หรืออนุภาพอันไม่มีประมาณก็ดีรวมประชุมอยู่ในธรรมกายในตัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาให้เจอเมื่อท่านอยู่ที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดแล้วก็ต้องมาหาที่ตรงฐานที่เจ็ดโดยวิธีการทำใจให้ยดให้นิ่งนิ่งเบาเสบายสบาย จะภาวนาสัมมาอรังประกอบไปด้วยก็ได้หรือถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ต้องภาวนาก็ไม่ฟุง้งไม่ไปคิดเรื่องอื่นใจจะตั้งมั่นได้เราก็ไม่ต้องภาวนาแล้วแต่เราเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะจ๊ะจะภาวนาก็ได้จะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าจะภาวนากระตั้งให้เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนค่อยๆดังออกมาจากกลางท้องเราน่ะเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แห่งอนุภาพที่มีประมาณแหล่งแห่งปัญญาแหล่งแห่งมหากรุณาพลั่งพลุออกมาจากตรง น, นั้นนะภาวนาไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้ จนกว่าอยากจะอยู่เฉยๆอยากอยู่เฉยๆหยุดกันนิ่งอย่างเดียวแต่เป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องห่วนกับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะเพาะตอนนี้เราก็ค่อยๆประคับประคองใจเราไปเรื่อยๆได้ใจที่เบิกบานได้ใจที่เบิกบานสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจเรา มันก็นแล้วแต่เราจะหยิบอะไรออกมาใช้คนฉลาดคนมีปัญญาก็จะเลือกใช้แต่ของดีๆที่จะทำให้ชีวิตนันะ้นสดใสเบิกบานจะการระลึกนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงดวงไสองค์พระไสภาวนาสัมมาหัางเรื่อยไปเลย จนกะทั่งปัจจัยหยุดนิ่งตัวก็จะโล่งไม่ทึบแล้วจะโปรง่งจะเบาจะสบายสบายตัวก็จะขยายออกไปมันขยายมันไปเองนะแล้วก็หายไปเลยกลื่นไปกับบรรยากาศเหมือนเรากับจักรวาลเป็นอันเดียวกัน กับบรรยากาศเป็นอันเดียวกันและใจจะใสบริสุทธิ์จนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์พุดขึ้นมาในกลางกายเป็นดวงใสๆมาพร้อมกับความสุขความรู้เรื่องราวสิ่งที่เป็นความเป็จริงเนะี่ยจะเป็นดวงใส ใจก็จะติดแน่นตั้งมัน่นไม่ขยยืนเลยมันจะนิ่งนั้นเราก็ตักตวงความสุขที่เกิดขึ้นอย่างหยุดกับนิ่งนั่นแหละในกลางดวงใสๆดวงที่ใสบริสุทธิ์นั่นแหละคือความบริสุทธิ์ที่ปรากฏให้เราเห็นได้ ด้วยใจเหมือนดวงอาทิตย์ผุดเกิดขึ้นมาทําให้เราเห็นไ ด, ได้ด้วยตามนุษย์นี่แหละต่างแต่ว่าดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาเราเห็นแล้วเราเคืองตาละมองไม่ได้แต่ถ้าหากว่าดวงใสภายในซึ่งสว่างกว่าดวงอาทิตย์สีแต่เรา ด, ดูได้ด้วยใจที่เบิกบาน ไม่เครื่องตาไม่แสบตามีความสบายใสยเย็นอยู่ภายในและเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆเคลื่อนเไปเองไม่ต้องไปทำอะไรเลยก็จะเคลื่อนเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องง่ายแต่ลึก มันต้องทำของให้ยากเนี่ยมันง่ายแต่แม่ง่ายก็แต่ว่าลึกซึ้งตรึงใจนั่นแหละมันต้องจะถูกหลักวิชาไม่อยาทําของง่ายถ้ายากอย่างนั้นไม่ถูกหลักวิชาเราสังเกตดูจากคําสอนของพระสมมตจเจ้าที่เมื่อท่านแสดงรำ อบรมสั่งสอนพุทธ บ, บริษัททั้งสี่พอฟังจบก็บรรลุธรรมพิสมัยเลยก็แสดงว่าของที่ท่านแสดงนั้นมันง่ายแต่ว่าลึกซึ่งเข้าถึงได้ไม่ใช่เป็นของยากต่อการเข้าถึงมันไม่ใช่อย่างนั้น มันต้องง่ายแต่ลึกซึ่งเข้าถึงได้ซึ่งจะถูกหลักวิชาแลวจะ้ะผู้มีบุญแม้ว่าจะต่างความเชื่อแต่กเจตนาดีตั้งใจดีที่จะมุ่งเข้าหาความบริสุทธิ์อยากจะเข้าถึงความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความบริสุทธิ์ แหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงแหล่งแห่งความรู้ที่ไม่มีประมวนแหล่งแห่งอนุภาพที่ไม่มีขอบเขตจำกัดต่างก็ปรารถนากันอย่างนั้นแต่ว่าวิธีการน่ะมันไม่เหมือนกันผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมวิธีการก็จะสมบูรณ งามทั้งเบื้องต้นตามกลางและเบื้องปลายจะต้องสอดคล้องกันด้เหตุที่ผลเหมือนรถหลายๆผลัดส่งเงินต่อต่อก็นไปถึงจุดหมายไปหลายทางที่ตัวปรารถนาแต่ถ้าหากว่าผู้ที่แนะนำนั้นความรู้มันยังไม่สมบูรณ์แม้เจตนาจะดี ก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ด้วยดีนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในตอนนี้ลูกทุกคนเนี่ยได้มาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาคือคำสอนของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดได้บุญเก่าของเราที่สั่งสมมา ในพระพุทธศาสนาศาสนาก็แปลว่าคําสอนพุทธผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดในความจริงทั้งหลายเห็นไปตามความเป็นจริงคือคําสอนของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดก็เรียกว่าพระพุทธศาสนาถ้ามีพระขึ้นนะก็แปลว่าประเสริฐมาจากกรรมวระประเสริฐเมื่อ เราเข้าถึงแล้วชีวิตเราก็จะสูงส่งประเสริฐ ต, ตามท่านผู้ประเสริฐที่รู้แจ้งเห็แจ้งแ่งตลอดลับพระพุทธเจ้ากับพระอราชาแห่งผู้รู้ทั้งหลายคือในบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนะี่ยท่านเป็นยอดเหมือนต้นไม้มันก็มีตั้งแต่รากโคนต้นไปถึงยอดนะอาผู้รู้ทั้งหลายลนะกองไว้ ตั้งแต่โคนไปถึงปลายท่านอยู่ตรงปลายตรงนั้นคือเป็นราชาแห่งผู้รู้ความรู้ของท่านจะครอบคลุมความไม่รู้ทั้งหลายหมดสิ้นไปเลยเหมือนฟ้าที่ครอบโลกและจักรวาลสรรพสิ่งทั้งหลยายญาณทัศนะาของท่านก็จะครอบสบรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะต้องเข้าถึงผู้รู้ในตัวเราเช่นเดียวกับพระสัม ม, ส ม, มาสัมพุทธเจ้าเช่นก็เข้าถึงผู้รู้ของท่านจะใชาเสศธาได้เข้าถึงกายอรหันตแต่สัม ม, ส ม, มาสัมพุทธเจ้ากายผู้รู้นั่นแหละที่มีอยู่ในตัวท่านแล้วท่านก็ บ, บอกวิธีการที่จะให้เป็นอย่างท่านโดวยวิธีการทำอย่างท่านทำอย่างท่านมันก็เป็นอย่างท่าน ถ้าไม่ได้ทำอย่างท่านมันก็ไม่ได้เป็นอย่างท่านมันก็แค่นี้เองทำอย่างท่านทำอย่างไรทำหยุดทำนิ่งทำใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งน่งอยู่ภายในตัวนั่นแหละให้ตัวเราเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็นิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่มันนอกเหนือไปจากนี้นะ อย่านิ่งอย่างเบาสบายเดี๋ยวก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้เบื้องตน้นนั่นแหละคือตัวจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายตัวหายไปเลยเดี๋ยวแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นเป็นแสงภายในหลับตาแล้วไม่มืดและจากความสว่างของแสงจะทำให้เห็นแหล่งกำเนิดเป็นดวงใ ส, ใส มันดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดของแสงสว่างทั่วโลกนี่แหละแต่นี่เป็นแสงสว่างภายในและเดี๋ยวก็เห็นไปตามลําดับเห็นดวงศีสมมติปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์เห็นกายมนันละเอียดกายทิพย์ปลมกายหลวง ป, ปลอมกายทำโคตภูประโสดาประสกิตาคาพระนาคามีพระอระหันต์นั่นแหละ 18กลปดกายซ้อนกันอยู่ภายในกายในกายเนี่ยมีสอนอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาให้รู้ว่ามีชีวิตอันประเสริฐอีกหลายๆระดับที่อยู่ภายในซ้อนซอนซ้อนละเอียดก็ไปเรอยๆ เ, เป็นมิติซ้อนมิติความละเอียดซ้อนละเอียดกายในกายกายในกายโน้ตและ กายสุดท้ายนี่แหละคือเป้าหมายของเราเรามาเกิดก็เพื่อการนี้นลูกนะจะสั่งสมบุญบารมีอะไรก็แล้วแต่ก็เพื่อจะให้เขาถึงกายเนี่ยกายทำอรหัสนี่แหละจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะทำให้มันยิ่งขึ้นไปเป็นศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อการนี้ให้เขาถึงกายทำอรหัต เราจะทำให้ศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งไปเขาเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็ เ, าเพื่อต้องการให้เขาถึงกายธรรมอรัสต์นี่วัตถุประสงค์ก็มีอย่างนี้แหลทะทียธรรมอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะทำบา ร, รมีศีลบา ร, รมีในธรรมะปัญญาบริยญาขันติสัจจะอธิฐาเมตตาอุเบกาบา ร, รมีก็ เ, เพื่อการนี้แหละ แต่สรุปลบยอดคือหยุดกับนิ่งที่จะให้เขัาไปถึงตรงนั้นจะเกิดมากี่พบกี่ชาติก็มาเพื่อวัตถุประสงค์ตรงนี้แต่ถ้าไม่มีผู้รู้บังเกิดขึ้นก็ไม่มีคำสอนของท่านเราก็ดำเนินชีวิตไปตามที่เราเข้าใจตามรสนิยมของเราหรือตามคาแนะ น, นาของท่านผู้รู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ ก็ทำกันไปอย่างนั้นแะถ้าหากว่าผู้รู้ยังไม่เกิดขึ้นพระชีวิตนี่มันมีทุกข์ตั้งแต่ทุกข์ประจำตัวกระทั่งทุกข์จอมาทุกข์ประจำตัวก็บใ จ, กจกแก่ความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้เป็นต้นความปวดความเมือ่อยความหิวความกระหายความหนาวร้อนอ่อนแข็งอะไรอย่างนั้นยังมีทุกข์ตามมาอีกจอมาอีก เหมือนแขกมาเยือนชีวิตนะมันเป็นอย่างนี้มนุษย์จึงต้องหาที่พึ่งเหมือนว่ายน้ำอยู่ในท้องทะเลมหาสมุทรเลียวแรงมนุษย์มันก็มีข้อจำกัดคลื่นลมก็สามารถทำให้ตายได้สัตว์น้ำอีกอะไรสารพัดเพราะฉะนั้น ในตอนกำลังจะหมดเรี่ยงหมดแรงถ้าสากศพลอยมาเนี่ยทั้งๆไม่ชอบหรอกมันเหม็นเนี่ยก็ต้องเกาะเอาไว้พอยุงกายเอาไว้แต่ถ้าหากว่าขอนไม้ลอยมาผู้มีปัญญาก็ต่างทิ้งสากศพไปเกาะคอนไม้เพราะว่ามันไม่เหม็ น, นแต่ถ้าหากมีแพรลอยมามันใหญ่มันมันม่นคงกว่า ผู้มีปัญญาก็จะทิ้งขอนไม้ขึ้นแพรไปแต่แพรก็คือการเอาไม้หลายๆอันมาต่อกันมันก็ยังเสี่ยงไปถ้ามีเรือมาเนี่ยถ้ามันมัน่นคงก็ต่างทิ้งแพรขึ้นเรือกันไปแต่ถเรือไม้ต่อกันต่อได้ไม้มันก็ป้องกันภัยอันตรายได้ในระดับหนึ่ง แต่มีเรือเดินสมุทรอะไรมาที่เมือนแข็งแรงกว่าก็ต่างทิ้งเรือไม้ขึ้นเรือสมุทรเหมือนชีวิตมนุษย์ในสังสารวัตรมันมีความทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตตั้งแต่เกิดมาเลย เ, ยเลื่อยมาเลยเนะพยายามใดยังไม่มีพรัตนาตะัยมันเกิดขึ้น อะไรที่เป็นที่พึ่งได้มันก็ต้องเอาคว้าอย่างนั้นไปก่อนเหมือนคนที่ว่ายน้ำในทะเลเจอคลื่นลมลแรงจะหมดเรี่ยวแรงเจอซากศพลอยมาค้อนไว้แพอะงรก็ต่างเกาะกันไปแต่ยามใดพรระตัตนตรยัยบังเกิดขึ้ น, นเหมือนเรือเดินสมุทรใดบังเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องทิ้งอีงสิ่งที่ มันเป็นบันคงขึ้นเรือเดินสมุทรก็คือทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่สรณนที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเข้าไปหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือปรัตตนาไตรซึ่งมีทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะภายในนี่แหละเราสามารถเข้าถึงได้สัมผัสได้เพราะอยู่ในตัวของเราอิธีการเราก็ารู้อยู่ ท่านสถิตยอยู่ตรงไหนเราก็รู้อยู่อีกเหลือแต่ความเพียรความพยายามและทำให้มันถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละไอ้ที่เข้าไปถึงแล้วเป็นไม่มีเด็ดขาดยกเว้นคนบ้าแต่คนดีๆอย่างเราเนี่ยถ้าได้ทำมันก็ทำได้แต่ว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอมีสติสบายสม่ำเสมอ แล้วก็หมันสังเกตดูว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมแล้วก็ปรับลงกันไปไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะต้องสมหวังนี่ก็เป็นหลักวิชาที่เราจะต้องนำเอามาคิดคำหนึ่งเรื่อยๆและที่แนะนำอะไรตั้งแต่ตอนเช้าก็ให้ทำอย่างนั้นแหละ อย่าไปลองผิดลองถูกเลยมันเสียเวลาเพราะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานอย่างนั้นไอ้ทำด้มันถูกซะไม่ต้องไปเสียเวลาคน้นแก่คว้าสี่เขาค้นมาแล้วมันก็จบก็คือทำใจหยุดนิ่งเฉยๆหยุ่ภายในมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆ อ, อย่างสบายๆ โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นก็แค่นี้เองเนะี่ยถ้าทำอย่างนี้ได้วันนี้ก็เข้าถึงวันนี้ถ้าทำได้วันพรุ่งนี้ก็เข้าถึงวันพรุ่งนี้ถ้าทำได้ชาติหน้าก็เข้าถึงชาตินามก็แล้วแต่เราแหละเพราะนั้นต่อจากนี้ไปเมื่อเข้าใจหลักวิชาแล้วก็ฝึกใจหยุดนิ่งนอย่างสบายสบายทุกทุกคนนะลูกนาะ